จิตที่ตั้งไว้ชอบนาตังมาตาปิตากะยิราอันเยวะปิจะยาตกาสัมมาปณิหิตังจิตตังเสยยโสตนังตะตัวกะเรมารดาปิดาหรือญาติทั้งหลายย่อมกระทําสิ่งนั้นให้ไม่ได้แต่จิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมทําให้ได้และทําบุคคลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐยิ่งกว่าที่มาดาปิดาจะพึงให้ได้อธิบายกว่าคำว่าสิ่งนั้นในพระคถานี้ หมายถึงความประเสริฐหรือคุณความดีตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเบื้องสูงกล่าวคือนิพพานสมบัติจริงอยู่มารดาบิดาเหมือนญาติอันเป็นที่รักอ่านมอบทรัพย์ให้เลี้ยงชีพสบายไปชาติหนึ่งแต่กว่าชาติเดียวเท่านั้นไม่สามารถให้ข้ามพบข้ามชาติได้แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ถูกแล้วย่อมทําให้ได้สมบัติทั้งที่ทเป็นโลกิยะโลกุตระให้ได้สการะความนับถือกิตติยศและอื่นๆอีกมากมายอันอยู่เหนือวิสัยที่มารดาบิดาจะพึงให้ได้ จิต ท, ที่ตั้งไว้ถูกจึงมีคุณค่ามากบุคคลจะได้สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็เพราะจิต ท, ที่ตั้งไว้ถูกแม้มนุษย์สมบัตินี้ก็เหมือนกันพระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ขณะที่ประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีทรงปรารบพระโสรายะเทระผู้มีประวัติแปลกพิสดารมีเรื่องย่อดดังนี้เรื่องพระโสรายะเทระเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งในโสรายะนคร นั่งบนญาณน้อยกับสหายรักไปสู่ท่าน้ําเพื่ออาบขณะเดียวกันนั้นพระมหาการยานเถระเข้าไปบิณทบาตในนครโศรายะเหมือนกันรูกชายเศรษฐีเห็นพระมหาการยานะผู้มีผิวเพียงดังทองคําจึงเกิดความคิดขึ้นว่าพระเถระรูปนี้สวยจริงหนาะควรเป็นพัญญาของเราหรือพัญญาของเราเพิ่งมีผิวงามอย่างพระเถระรูปนี้พร้อมกับความคิดนั่นเองพเพศชายของเขาหายไป เพศจิงปรากฏขึ้นเขาละอายจึงลงจากยานน้อยหนีไปหนีไปยังเมืองตักกศิลาแม้สหายของเขาที่นั่งไปด้วยกันและชนบริวารก็จำไม่ได้เพียงแต่พูดกันว่าอะไรนั่นอะไรนั่นสหายของเธอเมื่อไม่เห็นเธอก็เที่ยวค้นหาแต่ไม่เจอคนทั้งหลายช่วยกันค้นหาเท่าไรก็ไม่เจอมารดาบิดาของเธอจึงคิดว่าบุตรชายของตนตายแล้วจึงร้องไห้และทา ม, มตกพัทคืออาหารถวายแก สมณะอุทิตแด่ผู้ตายนางเห็นพวกเวียนไปสู่ตะกัศิลาหมู่หนึ่งจึงเดินตามเขาไปพวกเวียนเห็นแล้วจึงกล่าวว่านางเดินตามพวกเราไปทําไมเล่าพวกเราไม่รู้จักว่าเป็นลูกเจ้าเหล่าใครนางบอกว่าขอให้เขาขับยานไปเถิดเธอจะเดินตามไปเรื่อยๆแต่พอเดินนานเข้ากว่าเหนื่อยนางจึงถอดแหวนออกจึงนิ้วส่งให้นายเวียนเป็นค่าโดยสารขออาศัยไปด้วยชายเวียนเห็นนางอย่างประจักษ์น้าคิดว่า บุตรชายเศรษฐีนายของพวกเรายัางไม่มีพัญญาสตรีนี้เหมาะสมกับบุตรแห่งนายของเราหากเราเสนอสตรีผู้นี้และนายชอบพวกเราคงจะได้รางวัลงามเมื่อไปถึงนครตักกศิลาพวกชาวเกวียนก็ทําอย่างที่คิดลูกชายเศรษฐีขอดูตัวเมื่อเห็นนางมีวัยเหมาะกับตนและมีรูปงามน่าพึงใจมีความรักเกิดขึ้นจึงรลบไฟเป็นพัญญาตนพระอัฏกถาาจารย์กล่าวแทรกไว้ตอนนี้ว่า ชายชื่อว่าไม่เคยเป็นหญิงหรือหญิงไม่เคยเป็นชายย่อมไม่มีในสังสารวัตรอันยาวนานนี้ชายประพฤติผิดในกามล่วงละเมิดในพัญญาของผู้อื่นแล้วเมื่อตายย่อมตกนรกนานปีเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเกิดเป็นหญิงร้อยๆชาติแม้พระอนุเทระเองผู้มีบารมีอันบำเพ็ญมาแล้วตั้งแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในสงสารคราวหนึ่งเกิดในตระกูลช่างทองได้กระทําการเมียสมิฉาจาันตกนรกแล้ว ด้วยเศกกรรมที่ยังเหลือต้องเกิดเป็นหญิงถึงส4บสี่ชาติและถึงการถอนพืชคือเป็นหมันถึงเจชาติส่วนหญิงเมื่อต้องการเป็นชายพึงทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นคลายความพอใจในความเป็นหญิงตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ขอข้าพเจ้าพึงกลับได้อั ต, อตภาพเป็นชายเมื่อทากาละแล้วย่อมได้อัตภาพเป็นชายอันหนึ่งหญิงที่ปฏิบัติสามีดี ประพฤติต่อสามีประนึงเขาเป็นเทวดาของตนเมื่อต้องการเป็นชายบุญกุศลนั้นย่อมอํานวยผลให้เป็นชายสมปรารถนาส่วนบุตรชายเศรษฐีเมืองโสรา ย, ยะนี้ยางจิตอกุศลให้เกิดขึ้นในพระเทระจึงกลับอัตภาพเป็นหญิงในทันทีในการแต่งงานใหม่ครั้งนี้นางได้บุตรอีกสองคนรวมกับบุตรอีกสองคนเมื่อสมัยเธอเป็นชายเป็นสี่คนต่อมาบุตรชายเศรษฐีผู้เป็นสหายของนางเดินทางด้วยเกวียนจากโสระ ย, ยะ ไปยังตักกศิลานางยืนดูอยู่ที่ประสาทมองเห็นแล้วจําได้จึงให้คนใช้ไปเชิญมาตอนรับเป็นอันดีด้วยเครื่องบริโภคอันมีรถเลิศต่างๆเมื่อเสร็จแล้วผู้เป็นอาคันตุกะจึงถามว่านางผู้เจริญท่านตอนรับข้าพเจ้ า, าเป็นการใหญ่ท่านรู้จักข้าพเจ้ า, ามาก่อนหรือส่วนข้าพเจ้ า, าเองขอสารภาพว่าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลยท่านเป็นชาวโสระยะไม่ใช่หรือนางถามใช่นางผู้เจริญ นางได้ถามถึงวิดามารดาปัญญาของนางและบุตรชายทั้งสองอคันตุกะตอบว่าถ้าเหล่านั้นอยู่สบายดีและถามต่อว่านางรู้จักท่านเหล่านั้นได้อย่างไรนางได้เล่าเรื่องแต่คนหลังให้ฟังโดยสิ้นเชิงคันตุกะเชื่อและกล่าวว่าสหายเธอทํากรรมหนักเสียแล้วทําไมเธอไม่บอกฉันเล่าก็เธอให้พระเถระยกโทษให้แล้วหรือยังเลยฉันยังไม่เคยพบท่านอีกหลังจากนั้นเธอทราบไหมว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหน ท่านอยู่ที่โศรายะนครนี้เองอาคันตุกะตอบฉันจะจัดการให้เธอมขอขมาท่านเขาไปนิมนต์พระมหากัจจายนะพระเทระเพื่อฉันที่บ้านของสหายในวันรุ่งขึ้นพระเทระรับนิมนต์แล้ววันรุ่งขึ้นในไปยังเรือนนั้นสหายผู้เป็นอาคันตุกะอังคาบท่านแล้วนำหญิงสหายมาหมอบลงแทบเท้า พ, พลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอได้โปรดให้อภัยแก่หญิงสหายของข้าพเจ้าด้วย อะไรกันนี่พระเถระถามเขาเล่าเรื่องทั้งปวงให้ท่านทราบ พ, พระเถระกล่าวว่าจงลุกขึ้นเถิดอาตมาภาพยกโทษให้เพศชายเดิมปรากฏขึ้นสามีของเธอคือบุตรเศรษฐีเมืองตกักกศิลากล่าวว่าสหายผู้ร่วมทุกข์เด็กชายสองคนนี้เป็นบุตรของเราทั้งสองเขาออกจากท้องของเธอและอาศัยฉันเกิดเราทั้งสองจะเป็นเพื่อนกันอยู่ในนคร น, นี่แหละเธออย่าคิดอะไรมากเลยผู้กลับเพศกล่าวว่า ผู้รวมทุกของฉันฉันถึงความแปลกกว่าผู้อื่นถึงสองครั้งคือเดิมเป็นผู้ชายแล้วกลับเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายอีกในอัตภาพเดียวเมื่อก่อนนี้บุตรสองคนอาศัยฉันเกิดแล้วมาบัดนี้บุตรอีกสองคนเกิดจากท้องฉันสหายฉันคิดถึงเรื่องนี้แล้วเมื่ออยากอยู่ครองเรือนอีกต่อไปฉันอยากบวชในสำนักของพระเถระขอให้เด็กสองคนนี้เป็นภาระของเธอดัง น, นี้แล้วจูบบุตรทั้งสองรูปหลางแล้วมอบภารบิดาของเขา ออกบทในสำนักของพระเถระพระมหากจยยาจยานเถระให้เธอบทแล้วพาจาริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งแว้นโกศลคนทั้งหลายเรียกท่านว่าพระโสรายะเถระเรื่องของท่านแพรส่สะพัดไปอย่างรวดเร็วคนทั้งหลายเห็นเป็นเรื่องแปลกจนพากันมาถามท่านพวกแล้วพวกเราว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจริงหรือท่านตอบว่าจริงเขาถามต่อไปว่าในบรรดาบทสองประเภท คือประเภทที่อาศัยท่านเกิดและประเภทที่เกิดในท้องของท่านท่านรักลูกประเภทไหนมากกว่าท่านตอบว่ารักลูกในท้องมากกว่าเมื่อถูกถามอยู่เนืองๆและตอบอยู่เนือ ง, นองในเรื่องนี้ท่านก็เกิดความรำคาญเอือมระอาจึงพยายามปลีกตนออกไปจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวทําความเพียนไม่หย่อห ย, ย่อนต่างความสิน้นความเสื่อมในอันตภาพไม่นานนักได้บรรลุพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายหลังจากนั้น เมื่อมีคนมาถามท่านว่าในบุตรสองพวกท่านรักบุตรพวกไหนมากกว่าท่านตอบว่าความสิเนห์หาในบุตรไม่มีแก่ท่านแล้วภิกษุทั้งหลายสดับเรื่องนั้นแล้วเข้าใจว่าพระโสดรยะพูดพยากรอรหัตคืออวดมักอวดผลจึงนำความกราบทูลพระาศาสดาพระตถาคตเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพูดอวดมกักอวดผลก็หาไม่ได้เพราะตั้งแต่บุตรของเราเห็นมักด้วยจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วเธอก็หมดความสิเนห์หาในบุตร ภิกษุทั้งหลายกิจที่ตั้งไว้ชอบยอมให้สมบัติที่มารดาบิดามิอาจให้ได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถา่าว่าณตังมาตาปิตากะยิราเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พันานามาแล้วแต่ต้น